วันนี้ <c oughs> อยากจะพูดโดยหัวข้อว่าอิสรภาพประสิทธภาพในทางธรรม <c oughs> ขอสังเกตว่าเราพูดว่าในทางธรรมไม่ใช่ในทางโลก อิสรภาพเสรีภาพในทางโลกก็เป็นอย่างหนึ่งในทางธรรมก็เป็นอย่างหนึ่ง <c oughs> คนต้องการกันนักอิสรภาพเสรีภาพแล้วก็ไม่เคยยอมเสียแล้วก็เป็นทุกข์เมื่อรู้สึกว่าเสีย <c oughs> แต่และมันก็มีทางที่จะแก้ไข ว่ารู้จักอิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรมจะบางคนอาจจะไม่สมัครสมัครที่จะมีอิสรภาพเสรีภาพในทางธรรมเพราะเขาจะมองมันในลักษณะที่เรียกว่ายอมแพ้อย่าเพื่อเข้าใจอย่างนั้ น, นก็ให้ ฟังดูดีๆว่าอิสรภาพเสรีภาพในทางธรรมเนี่ยสำคัญกว่าถ้ามีแล้วมันจะไม่เสียเสริรภาพหรือเสรีภาพในทางไหนเลยศึกษาหากันไว้บ้างมันจะ <c oughs> มีประโยชน์แต่มันก็เป็นเรื่องลึก เป็นธรรมะชั้นลึกในทางธรรมเพราะว่าถ้าบอกให้รู้ล่วงหน้ามันก็บอกได้ว่ามันเล็งถึงพระนิพพานเล็งถึงความหมายของพระนิพพานที่ทำให้ไม่สูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพแต่อย่างใดเลย ข้อแรกมันจะต้องย้อนไประลึลกนึกถึงในธรรมชาติโดยพื้นฐานซะก่อนว่าที่จริงเราก็มีเสรีภาพโดยธรรมชาติแต่แล้วเราก็ไม่ได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์เอาข้อนี้ขอคิดดูดีๆทุกคนจะมีปัญหาอย่างนี้ <c oughs> คือว่าเราตามธรรมชาติเราก็มีอิสรภาพเสรีภาพอือคือเราจะทําอะไรก็ได้นี่เห็นเห็นไใช่ไหมตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันหนึ่งเราจะทําอะไรก็ได้แต่แล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรชนิดที่อควรจะทํา มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียกว่ากิเลสเนะี่ยมันใส้หัวไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำนี่ก็เรียกว่ามันสูญเสียอิสรภาพ <c oughs> กลางวันเราจะทำอะไรก็ได้กลางคืนเราจะทำอะไรก็ได้จะฝันอย่างไรก็ได้แต่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้เพื่อเสรีภาพมันไม่อาจจะใช้ถรามันถูกกิเลส ด, ดึงไปดึงไป ให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการของกิเลสแต่แล้วเราก็ไม่รู้สึกว่านี่สูญเสีย เ, เสรีภาพกลับใจะเห็นว่าได้ได้เสรีภาพแล้ททำอะไรตามพอใจของเราคือของกิเลส ตื่นนอนขึ้นา่ามีเสรีภาพของกิเลสใช้ไปทำอะไรตามนัดของกิเลสและจิตนั่นก็ไม่ได้ดสำนึกว่าเราสูญเสียเสรีภาพหรืออิสรภาพก็ทำกันตามกิเลสดังนั้นจะต้องรู้จักแบ่งแยกออกไปว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีสิ่งสองสิ่งซึ่งเป็นคู่ตรงกันข้าม หมายถึงความรู้หรือความรู้สึกอย่างหนึ่งมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งมันเป็นโพธิเรื่องนี้ก็เคยพูดกันมาบ้างแล้วก็ขอให้สนใจบ้างกิเลสก็เป็นเรื่องที่จะพาไปตามแบบของกิเลสในโทธิก็เป็นเรื่องที่มันจะพาไปตามแบบของโทธิเดินคุณลทางตรงกันข้าม พูดง่ายๆก็ว่ากิเลสมันเดินลงต่ำโพธิมันเดินไปทางสูงเราเกิดมาจากท่องมันดายังไม่มีอะไร <c oughs> พอมารู้นั่นนี่ข้าว <c oughs> ได้ชอบใจได้พอใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงไหลในทางนั้น <c oughs> มันก็ไม่รู้ว่ามันควรหรือไม่ควรแต่มันอร่อยมันสนุกมันก็ชอบอย่างนั้น กิเลสมันก็ได้โอกาสตั้งต้นก่อนนี่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องสังเกตว่ามนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยทารกนี่กิเลสได้โอกาสที่จะตั้งต้นก่อนคือได้รับสิ่งที่พอใจก็ดีใจลหลงไหลชอบใจได้รับสิ่งที่ไม่พอใจก็กโกรธแค้นขัดเขืองอาละหัดส่วนในความรู้ที่ถูกต้องว่าไม่ควรทําอย่างนั้นมันยังไม่มี ส่วนที่เป็นกิเลสมันลงรกลงรากฟังลงในสันดานซะก่อนใ้เรื่องของโพธิ์ที่จะรู้มไม่ควรทำอย่างนั้นอย่างนี้มันมีได้ยากเนี่ยท่ิบิดามันดาก็ไม่ได้สอนหรือสอนก็ฟังไม่ถูกไม่รู้เรื่องจนก ว, ว่ามันจะได้รับความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานเพราะทำไม่ถูกต้องคือทำไปตามน่าต้องกิเลสและกิเลสมันกัดเอา นักข้านักข้ามันจะค่อยค่ยรู้สึกโอ้่นี่มันไม่ไหวนะจริงจะค่อยเกิดไอ้ความรู้สึกฝ่ายที่เป็นโพธิคือความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยถ้าโพธิจเจริญ ม, มากเร็วทดทดัทดทัดเทียมกันก็ดีไ่ยื้อแย่งกันระหว่างกิเลส ก, กับโพธิ <c oughs> ในชีวิตของเรานี่มันก็มี สงครามการรบพุ่งกันอยู่ด้วยระหว่างกิเลสกับโพธิที่เทนิใครตัวไหนตัวกิเลสหรือตัวโพธิที่จะรู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพเมื่อกิเลสมันไม่ได้ตามที่มันต้องการหรือมันถูกแย่งชิงไปเสีย ถูกกดขี่กลุ่มแห้งมันก็รู้สึกสูญเสียเสยรีภาพเต็มที่ตามแบบของกิเลสที่มันต้องการอะไรแล้วมันไม่ได้ <c oughs> นี่ยขอให้สังเกตดูดีๆว่าเสรีภาพที่อิสระภาพที่กำลังต้องการกันนักนั่นในโลกนี้มันเป็น เสรีภาพของกิเลสหรือของโพธิถ้าโพธิมันไม่หลงอะไรมันไม่หลงไหลอะไรมันไม่อยากอะไรมันไม่โงอกไปหลงไหลอะไรมันก็ไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรไม่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบหรือข่มเหงแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันต้องการนั่นต้องการมีต้องการนู่นมากมากนเกินเกินจําเป็นจนไม่มีเหตุผลนั่นว็รู้สึกว่าไม่ได้ เ <c oughs> พราะรู้สึกไม่ได้ว่ารู้สึกว่าสูญเสียเสรีภาพหรืออิสรภาพ <c oughs> มันจึงต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้นั่ขอให้สนใจกันให้ดีด <c oughs> เดี๋ยวนี้เราก็พูดกันเป็นเรื่องของ <c oughs> ของการเมือง <c oughs> อิสรภาพเสรีภาพ <c oughs> ทั่วโลก แต่ดูดีว่ะมันเสรีภาพของกิเลสหรือของโพธิ <c oughs> แต่เมื่อพูดกันเรื่องทางโลกชาวบ้านทางโลกเขาก็เป็นเรื่องของของโลกมันก็เป็นเรื่องของอวิชชาไม่รู้ตามที่เป็นจริงหรือเป็นเรื่องของกิเลส <c oughs> แล้วมันก็ไดเอามา ต่อสู้กันฟัดเวียงกันแย่งชิงกันเรื่องประชาธิปไตยเสรีภาพมองย้อนไปดูถึงเสรีภาพของอันพานก็พอจะมองออกว่าอันถานก็ต้องการเสรีภาพอย่างไรแล้วใครจะยอมด้วยได้ไว้ที่มันจึงเป็นเรื่องยื้อแย่งเสรีภาพ นิดอย่างของกิเลสอย่างของกิเลสกันอยู่ในโลกนี้ทั่วไปทั้งโลกเลยในเสรีภาพอิสรภาพของโพธินั้นไม่ต้องรู้กันรู้มันอยู่ลึกไปมากว่า <c oughs> ที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้แต่แล้วเรื่องนี้มันก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนา <c oughs> มันเราจะต้องรู้มูลเหตุอันลึกซึ้งที่สุดที่ทำให้เกิดรู้สึกต้องการเสรีภาพและรู้สึกว่าสูญเสียเสยรีภาพมันก็มาถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าตัณหา ซึ่งได้ยินได้ฟังอยู่ทั่วไปคำว่าตัณหาตัณหาแต่ดูมันยังรู้จักกันน้อยเกินไปแล้วก็ถูกตัณหานะพาไปโลกนี้อยู่ตามนาจของตัณหาถูกตัณหาชักพาไป <c oughs> ไปตามแบบของตัณหาซึ่งก็คือกิเลส เข้ามาตันหาตันหาพูดอย่างภาษาธรรมดามันก็คือว่าความต้องการของความโง่ความต้องการนี่มีอยู่สองชนิดต้องการของความโง่ของความไม่รู้ของอวิชชาก็เรียกว่าตันหาตันหา นี่ถ้ามันเป็นความต้องการของความรู้ที่ถูกต้องของวิชาของปัญญาอย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหามีชื่อเรียกอย่างอื่นเช่นเรียกว่าสังกับโปือสังกับปะเป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ทําอันตรายเป็นน้อยแต่ไว้ให้มันผิดอย่างสังกับป้านี่มันก็มีทั้งทั้งมิจฉาและสัมมา แต่ว่าโดยเนื้อแท้มันเป็นความต้องการที่ควรต้องการของวิชาของปัญญาเราเรียกว่าสังกับป่เป็นสิ่งที่ใช้ในการให้พรค <c oughs> อยสังกับป่าของท่านสมบูรณ์ <c oughs> ันโ ท, นโาทาปนารโสยะถาเหมือนพระจันทร์วันเป็นหรืออย่างนี้เป็นต้น ในความต้องการของกิเลสตัณหามันเป็นความต้องการของความโง่พอไม่ได้อย่างที่ความโง่หรือกิเลสมันต้องการมันก็รู้สึกโกรธแคนนี่ก็สูญเสียเสรีภาพแห่ตัณหานี่มีสามอย่างจำกันไวไง้ง่ายๆในภาษาไทย มันอยากได้อยากเอาอยากเอาอยากได้อย่างหนึ่งแล้วก็อยากเป็นอนี้ก็อย่างหนึ่งแล้วก็อยากที่จะไม่เป็นนี่เป็นอย่างหนึ่งเป็นสามอย่างดูให้ดีเรามีกันตลอดบางทีอยากได้อยากเอาก็อยากมีอะไรบ้างก็เหลือที่จะกล่าว มัอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตามที่กิเลสตัณหาต้องการจะเป็นบาทีมันก็อยากไม่เป็นตามที่มันไม่ต้องการนะกระทั่งอยากไม่ได้พบไม่ให้เห็นอไที่มันไม่ไม่ชอบไม่ต้องการนี่มันมีอยู่สามชนิดอย่างนี้พร้อมไม่ได้ตามที่มันต้องการอย่างนั้นมันก็โกรธก็รู้สึกว่าสูญเสียเสียดี ภาพถูกและเมิดสิทธิอตามเรื่องของมันทีนี้ถ้าไม่มีตัณหาเนี่ยคุณลองคำนวณดูถ้าไม่มีตัณหาเหล่านี้ <c oughs> มันจะรู้สึกได้ยังไง <c oughs> ถ้าไม่มีความอยากสามประการนี้มันจะไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรหรือขาดอะไร หรือใครมาทําอะไรเราสูญเสียสิทธิเสียดีภาพอ <c oughs> ความไม่อยากเนี่ยมันตลาดที่สุดแต่ถ้าเขาสอนในแบบนี้สอนให้เรื่องหยุดความอยากเนี่ยมันกลายเป็นคนทั่วไปไม่ชอบไม่มีใครชอบก็จะมองเห็นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เป็นฝ่ายสูญเสียไปเสียอีกแต่ <c oughs> ที่จริงมันควรจะมีหลัก ว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพแล้วก็รีบสละสิ่งนั้นเสียฟังดูน้อยคนจะชอบแต่มันเป็นความจริงที่สุดเป็นธรรมะสูงสุดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพ รีบสละสิ่งนั้นเสียเลยสิ่งนั้นกูไม่เอากับมึงแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกชนิดที่เป็นสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพพระอราหันต์ท่านไม่ไม่มีความต้องการอย่างนี้ไม่มีไม่มีตัณหาไม่มีสิ่งที่ท่านต้องการด้วยกิเลสตัณหาแล้วไม่มีใครไปทำให้พระอราหารันต์สูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพได้ เพราะท่านไม่ต้องการอะไรนี่มันกลายเป็นเรื่องสูงสุดของนิพพานไปเลยเมื่อไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่สูญเสียอิสรภาพเสรีภาพอะไรไม่มีใครมาทำให้สูญเสียอิสรภาพเสรีภาพได้นี่มันลึกเกินไปัหยมันเกินไปก็ได้อาจจะไม่มีใครชอบอาจจะไม่มีใครยอมรับหลักการอันนี้ก็ได้ ใ่อย่างนั้นก็ตามใจเขาจะต้องมีความรู้สึกสูญเสียอิสรภาพเสียรีภาพอยู่เรื่อยๆไป ล, ลำเอียงบ้างไม่ยุติธรรมบ้างแม้แต่กฎหมายก็ไม่ยุติธรรมบ้างมันจะมีเป็นธรรมดาขอให้เราศึกษาให้ถึงส่วนลึกที่สุด ของสิ่งที่จะไม่เกิดความต้องการอิสรภาพเสืีภาพความไม่มีตันหาความสิ้นตันหาเนี่ยมันเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะมันหมายถึงนิพพานแต่เอาละอย่าพูดกันถึงเรื่องนิพพานอะไรให้มันลึกไปจน คนธรรมดาไม่อยากจะสนใจพูดกันอย่างที่พอจะสังเกตได้คำนวณได้ว่าเมื่อไรมีความต้องการสิ่งใดใเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเป็นหลักเกณฑ์ที่คนจะจำไอ้ข้อหนึ่งทีเดียวต้องการสิ่งใดมันก็เป็นทาสของสิ่งนั้น แล้วมันจะเป็นมูลเหตุให้รู้สึกว่าสูญเสียหรือไม่ยุติธรรมหรือไม่อะไรไปตามเรื่องนันก็จะนำมาถึงความรู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพไม่ต้องการสิ่งใดสิ่งนั่นก็เป็นปัญหาขึ้นมาที่จะทำให้เจ็บช้ำน้ำใจและโดยเฉพาะสำหรับคนโง่ เมื่ต้องการมันก็เป็นทุกข์ด้วยความต้องการก่ะวนกระวายเดือดร้อนเพราะความต้องการอีกชั้นหนึ่งก่อนนะอันนี้พยายามพยายามก็เป็นทุกข์ไปตามแบบของคณโง่เพราะมันไมไ่รู้จักคำจิตใจใปกติเป็นทุกข์ตลอดที่พยายามได้มาก็เอามารักเอามาหวงเอามายึดมัน่นถือมัน่นมันก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาคิดดู ให้ความต้องการที่มาจากอาวิชชามันเป็นอย่างนี้โดยเนื้อแท้มันสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพอยู่ในตัวนั่นมันเองแล้วตลอดเวลาแต่มันไม่รู้สึกมันไปรู้สึกในอย่างผิวผิวข้างนอกที่ว่าผู้อื่นนะเกี่ยวกับผู้อื่นแต่ที่ตัวเองเป็น ผู้สูญเสียอิสรภาพเสรีภาพให้แ ก, ก่กิเลสอย่างยิ่งนั้นไม่รู้ไม่รู้จักมันเป็นอยู่อย่างนี้คอยให้ใหมองให้มองดูให้ดีๆเพราะมีตันหาถ้าสิ้นตันหาไม่มีตันหาปัญหาเหล่านี้ไม่มีเพราะมันไม่ต้องการอะไร มันก็เลยไม่รู้สึกว่าไม่ได้อะไรหรือสูญเสียอะไรหรือว่าใครเอาเปรียบอะไรแกเราในเรื่องที่เราควรจะได้มันได้เป็นจิตใจที่อยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์ไม่มีความทุกข์เลยเนีย่หัวใจธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนามันอยู่ที่ตรงนี้ มันมันควรจะเข้าใจกันได้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครจะสนใจมันก็เข้าใจไม่ได้เรื่องตันหากับกบความสิ้นตันหานะ่ะเป็นเรื่องอทั้งหมดนะในพุทธศาสนาเพราะมีตันหาก็มีทุกข์สิ้นตันหาก็ไม่มีทุกข์มันมีสองเรื่องนะมีทุกข์กับไม่มีทุกข์ ถ้าเรามีตัณหาเวลาก็กินเราถ้าเราไม่มีตัณหาเราก็กินเวลานี่เป็นพุทธภาสิตเรามีตัณหาความอยากที่มาจากอวิชชาวันนั้นเวลาจะกัดกินเราทั้งหลับทั้งตื่น เพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการตามตามที่ตัณหาต้องการในเวลามันก็ไม่พอเวลาก็มีความหมายบีบคั้นเวลาคือคือคือคือคือสิ่งนี้สิ่งที่ไม่ได้ตามที่ต้องการมีจุดตั้งตน้นตั้งแต่เมื่อต้องการแล้วก็ถึงสุดท้ายปลายทาง กว่าจะได้ตามที่ต้องการนั่นเป็นเวลาอย่าไปพูดวเวลาไม่มีเวลาเป็นมายาไม่มีตัวตนไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกนั่นไม่ถูกนะ่นนเวลาต้อมีตัวจริงมีตัวตนตามแบบของธรรมะในพุทธศาสนาคือจุดระหว่างความต้องการจนกว่าจะได้ได้ตามที่ต้องการอนนันนั้นคือเวลาถ้าไม่มีความต้องการ เวลาไม่มีเข้าใจไหมเามีความต้องการเวลามันจึงมีเวลามันจึงมีค่าเขพูดนลอดเวลามีค่าที่สุดนะี่ยนันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเวลาเขามีค่ามีเป็นมีมีเวล า, านลวก็กัดกินพูดต้องการกัดกินหัวใจพูดต้องการเนี่ยเทามี กิเลสมีตัณหาตามธรรมดาเวลาก็กินผุนนั่นกัดกินผุนนั่นให้จะปวดทรมาณทางจิตทางวิญญาณที <c> ่ <oughs> ถ้าไม่ไม่มีความต้องการไม่มีตัณหาเวลาก็ไม่มีความหมายหรือเวลามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวลาจะไม่มีจะสูญสิ้นไปเรียกว่าผุนนั่นกินเวลา มันอาจจะเป็นธรรมะหรือปรัชญาอะไรที่มันสูงไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรลองคิดดูมันเกี่ยวกับคนเราแล้วแหละเ่เราสามารถที่จะกินเวลามันก็มีความสุขเป็นพระอาหารหันคนธรรมดาถูกเวลากินแต่พระอรหันกินเวลาคือเวลาไม่มีสําหรับพระอาหารหัน เรื่องพระอาหารหันต์นี่ก็มีแปลกอีกบางอย่างอาจจะพู ด, พดเฉยก็ได้ว่ามิติเครื่องวัดประมาณอะไรต่างๆไม่มีชายกับพระอาหารหันต์บาลีว่าอัททังคาตา낭นันะปปะมาณมัตถิ ทังคตานังอัดทั้งคตาหนังนะักประมาณมัตถิแปลว่าประมาณไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ได้ตั้งอยู่คือพระอรหันต์แต่เขาอาจจะแปลกันผิดๆก็ได้นะข้อนี้ระวังให้ดีจะเป็นเรียนนักธรรมหรืออธิบายหลักสูตรนักธรรมในกตัญมันจะแปลคนที่ล่วงลบไปแล้วไม่มีประมาณไม่มีจํานวนที่ประมาณได้ คือคนตายไปแล้วไม่มีประมาณจะอนับได้นี่ไม่ถูกเลยทำไมถึงพระอรหันต์เป็นเป็นเนี่ยคําว่าอัฏฐานขตานังแปลม่ได้ตั้งอยู่คือว่าไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนก็คือไม่ได้ตั้งอยู่คําว่าผู้ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์ไม่ได้หมายถึงคนตายายตายไปไม่ใช่ีประมาณคือเครื่องนับเครื่องวัด แล้วแต่่านับจะวัดกันในทางไหนทางสั้นทางยาวทางกว้างทางสูงทางต่ำ ท, ทางคุณค่าทางดีทางชั่วทางและก็สุดท้ายมิติทั้งหลายเนี่ยไม่อาจจะใช้กับพระอรหันต์นี่แปลกที่สุดถ้าไม่เข้าใจก็ก็ไม่เข้าใจแต่เข้าใจจะมีประโยชน์มากไอ้คนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์มันยังมีความต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ มีค่าเท่านั้นมีค่าเท่านี้มีมิติทุกอย่างทุกชนิดนะสำหรับคธนธรรมดาน ม, มิติเหล่านั้นสำหรับจะวัดจะประมาณเหล่านั้นไม่มีแม่แก่ไม่มีแ ก, แก่พระอราหารันจะพูดพระอราหารันกว้างยาวสูงต่ำเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่พระอ ร, ะราหารันที่จะเป็นถึงเช่นนั้นจะจัดเป็นดีเป็นชั่วเป็นปานกลางเป็นอะไรก็ไม่ได้ ทุกๆอย่างที่มันใช้วัดกันในโลกว่าเป็นอย่างไรนี่มันใช่ไม่ได้กับพระอาหารหันต์มันอาจจะเป็นธรรมะที่ลึกเกินไปแต่รู้ไว้บ้างก็จะดีไม่เสียหลาย เ, ร, เราถ้ามันจะรู้จักพระอาหารหันต์ในจุดหมายปลายทางของมนุษย์หนึ่งได้ดีขึ้นเพราะมันยังมีกิเลสตัณหามันจึงเป็นเหตุให้วัดได้ว่าอย่างไรเท่าไรแค่ไหน สูงต่ำอย่างไรดีเชื่อเท่าไรอะไรแต่เพราะมันยังมีกิเลสตัณหาพอมันไม่มีกิเลสตัณหามันกไ็ไม่มีอะไรที่จะถูกวัดหรือวัดได้พระอรหันต์ไม่ได้เล็งถึงตัวคนตัวบุคคลที่เป็นพระอรหันต์สมัยถึงคุณค่าสถานะสภาวะทางจิตใจของท่านนะที่หมดกิเลส เรียก็ผู้หมดกิเลสอยู่เหนือมิติใดๆทั้งสิ้นมีคาอธิบายได้อย่างวิทยาศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นทั้งหลายไม่มีมิติใดๆที่จะไปวัดได้รู้กันว่าอย่างนี้ในบาลีก็มีบทนี้อยู่เป็นบทที่สาคัญที่ถ้าเข้าใจได้ก็กจะดีมาก ตลอดเวลาที่ยังเป็นยังไม่เป็นพระอรหันนะมันก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งวัดได้เป็นบุคคลแล้วก็วัดได้ทันทีว่าสูงตามเท่าไรดาขาวอย่างไรกิริยามารยาทอย่างไรดีชั่วเท่าไรก็วัดได้ถ้ามันมีตัวตน <c oughs> พอมันไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดได้นี่มันยิ่งกว่าละเอียดไปซะอีก <c oughs> คือมันว่างไป มันไม่มีอะไรจะวัดได้นี่ก็เพราะความไม่มีตัณหาเพราะความไม่มีตัณหาบุคคล น, นั้นจึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งการวัดด้วยมิติใดๆแม้จะมันเป็นเรื่องสูงเกินไปก็คอยสนใจกันไว้ก่อนเถอะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งจะเข้าใจพระอรหันต์หรือนิพพานอะไรได้ง่ายขึ้น เดี๋ยวนี้มันยังกาหน้าชี้หน้าได้มึงแค่นั้นมึงแค่นี้มึงเท่านั้นมึงเท่านี้เพราะมันยังมีกิเลสตัณหาที่เป็นเหตุกหวัดได้ว่ามันแค่ไหนต้องการอะไรอย่างไรเท่าไรดิ้นรนอย่างไรบูชาอะไรหลงไหลอะไรอะไรนี่มันก็วัดได้ทั้งนี้พระอราหันต์เป็นผู้ไม่มีตัณหาพราะมันก็อยู่เนื้อ อะไรหมดเนื้อความเกิดเนื้อความตายคำว่าเกิดคำว่าตายใช้ไม่ได้กับพระอาหารหันต์เพราะไม่มีตัวตนสำหรับจะเกิดจะตาย <c oughs> ทนี่ไอ้เรื่องขี้ผงเสลีภาพอิสรภาพมันไม่มีมันไม่มีแกพระอาหารหันต์คือไม่ต้องการไม่ได้ต้องการอเรื่องขี้ผงเหล่านี้มันไม่มีอะไร มันจะทำให้พระฮันรู้สึ ก, กว่าเสียเสยรีภาพเสียอิสรภาพก็เพราะเหตุอย่างเดียวคือเพราะเหตุที่ท่านไม่มีตัณหาสามอย่างไม่ต้องการจะได้อะไรหรือมีอะไรไม่ต้องการจะเป็นอะไรแล้วก็ไม่ต้องการที่จะไม่เป็นอะไรคำว่ตัณหาสามแปลยอย่างนี้เอาแต่ใจความาำว่าตัณหา อยางได้อยากมีที่น่ารักน่าพอใจภาวะตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่จะมีที่จะอยากจะมีอยากจะมีอยากจ ะ, จะเป็นนะฮวิภาวะตัณหาไม่อยากอยากที่จะไม่เป็นอย่างที่ไม่ต้องการจะเป็นอะยันเป็นคนไม่มีเกียรติเป็นคนที่ใครดูถูกดูมินกระทั่งว่าไม่อยากจะอยู่อยากจะตายอย่างนี้ก็จะเป็นวิภาวะตัณหาด้วยเหมือนกัน รู้จักไอสิ่งที่เรียกว่าตัณหาว่าให้ดีๆวันนี้เป็นต้นตอเป็นมูลเหตุนั้นแท้จริงที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีเราเป็นอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วเราก็ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ด้วยความโง่โอของอวิชชาต้องการโดยอวิชชานะ่ะมันย่อมจะเกินพอดีไม่ถูกเรื่องอะไรไปทั้งหมด แล้วมันก็รู้สึกเป็นตัวกูของกูรุนแรงรุนแรงใครมาลบลูไม่ได้ลูกคมไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้ถ้ามีขึ้นมาก็เรียกว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพเป็นเรื่องของคนโง่เป็นเรื่องของคนที่จะต้องระแวงหน้าระแวงหลัง ให้อยู่เหมือนกับมแมลงป่องถ้าที่สังเกตดูเห็นดูมาแล้วเห็นมาแล้วว่าไม่มีอะไรที่มันระแวงหน้าระแวงหลังระวังหน้าระวงังหลังเหมือนมแมลงป่องนั่นคือคนโง่ที่มันพิทักษิสรภาพเสรีภาพอะไรด้วยความโง่ซึ่งมีคนคนนี่มันเป็นอย่างนี้ แล้วมันก็ทรมานตัวเองนอนไม่หลับเองอะไรเองไม่มีความพักผ่อนแห่งจิตใจมันระแวงอยู่เสมอว่าคนทุกคนเกลียดเราคุณทุกคนพร้อมที่เอาเปรียบเราคุณทุกคนพร้อมที่จะลบหลูเ่เสรีภาพและอิสรภาพของเรานี่มันคือบรมมังง่สําหรับจิ่ทรมานจิตใจอย่าให้มีความพักสุขสงบเย็น มันจะรู้สึกว่าจะสูญเสียอิสรภาพเสียสิภาพไม่ได้ครที่จะได้แล้วมันก็ได้มันมันก็อยากจะได้อย่างมหาศาลไอ้คนโง่เชิดนี้แล้วจะมีอะไรไมาได้ตามที่มันต้องการเพราะมันเป็นคนหิวอยู่เสมอมีความเป็นเฟรดโดยไม่รู้สึกตัวอยู่เสมอมันหิวอยู่เสมอ <c oughs> ถ้ามีธรรมะ รู้ธรรมะพอโอ้ทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองเป็นไปตามกฎ ธ, ธรรมดาธรรมชาติเช่นนั่นเองถ้าต้องการอะไรก็ทำให้ถูกเรื่องของธรรมชาติตามกฎอิทัพปฏิยตาทำให้ถูกเรื่องมันก็ได้มันก็ได้ฮะไม่ต้องหิวไม่ต้องท ร, รมานจิตใจไม่ต้องรอแวงไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องรู้สึกว่าใครมาทำให้เราสูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพ ควสิ้นตัญหาหมายถึงนิพพานดังนั้นจึงกล่าวอะไรว่านิพพานนิพพานเป็นอิสรภาพเป็นเสรีภาพสูงสุดชนิดที่ไอมนุษย์โง่โง่ไม่ต้องการอนุญาตให้ผมพูดคำหยาบคายบ้างเพื่ประหยัดเวลาแล้วนิพพานมันเป็นอิสรภาพเสรีภาพสูงสุด แท้จริงแต่ไอามนุษย์โง่โงมันไม่ต้องการเสรีภาพชนิดนี้มันก็ต้องการเสรีภาพอิสระภาพที่แย่งกันกัดกันแย่งกันด้วยการกัดกันมันต้องการเสรีภาพชนิดนั้นแล้วมันก็ต่อสู้กันในประวัติศาสตร์มันก็บอกมาได้เป็นอย่างดีว่ามันเคยฆ่าเคยล่างฟานกันอย่างไรเท่าไร ดยเหตุผลเพียงว่าต้องการอิสรภาพเสรีภาพหรือวถูกล่วงละเมิดอิสรภาพเสรีภาพมันก็ยกพวกัำกันเป็นสงครามระหว่างประเทศชาติก็มีนันก็จะมีอยู่เรื่อยๆไปเนี่รู้จักอิสรภาพเสรีภาพในทางธรรมะ มันจะ บ, บ้างดีกว่าไม่รู้จักแน่ถ้ามันเป็นอิสรภาพเสรีภาพที่แท้จริงอย่าไปหลงในเสรีภาพเด็กอมมือเสรีภาพคนโง่อิสรภาพของคนโง่ของคนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา <c oughs> อิสรภาพเสรีภาพชนิดนั้ น, น, นไม่ไม่มีค่าไม่มีความหมายเพื่อสันติสุขเพื่อสันติภาพเลย มันมีว่สาสำหรับไอ้คุณโง่มันกัดตัวเองมันทรมานตัวเองมันเชื้อดื้อตัวเองไงตามแบบของมันนะให้ <c oughs> รู้จักเสรีภาพของโธูธิอย่าไปหลงไอ้เสรีภาพของกิเลสพยายามที่จะควบคุมกิเลสรู้จักกิเลสควบคุมกิเลส ให้โพธิเข้ามาแทรกแซงกิเลสไว้เสมอไปโดยที่จะทำอะไรคอยนึกถึงความถูกต้องความถูกต้องไว้เสมอไปอ่ะมันจะให้โอกาสที่โพธิมันจะเกิดขึ้นแล้ก็จะดำเนินไปในลักษณะของโพธิแล้วก็จะไม่ถูกกิเลสตัณหานะกัดเอา จะไม่มีความรู้สึกวระสูญเสียเสียสีภาพเพราะว่าฉันไม่ต้องการอะไรคิดดูสิ่งต่างๆเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองฉันจะไม่ไปหลงรักหลงต้องการาด้วยความรู้สึกชนิดนั้นแต่ถ้าเมื่อสิ่งใดที่มันเป็นปัจจัยในการเป็นอยู่แก่ชีวิตที่ที่เขาต้องการกันตามธรรมดาเ็าต้องการได้ แต่ไม่ต้องการด้วยกิเลสตัณหาไม่ต้องการด้วยกิเลสตัณหาจะ ต, ต้องการด้วยโพธิปสติปัญญาความต้องการชนิดนี้ไม่กัดถ้ายังกัดมันยังไม่ใช่โพธิปัญญาโดยแท้จริงความต้องการใดๆถ้ายังกัดอยู่ยังไม่ใช่โพธิปัญญาต้องการยังมีกิเลสเชื่ออยู่เสมอไป นั่นต้องเป็นความต้องการที่ไม่กัดเจ้าของได้มาแล้วก็ไม่กัดเจ้าของมีอยู่ก็ไม่กัดเจ้าของตลอดเวลาเนี่ยจึงจะเป็นเรื่องของโคติปัญญาอขอให้รู้จักกันไห้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะชั้นลึกบางคนจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นยังไม่จำเป็น มันลึกเกินไปหรือไม่ไม่จําเป็นแต่ที่จริงๆอ่ะมันมันเกินจําเป็นอ่ะมันเกินจําเป็นอ่ะถ้ารู้ว่ามันจะคุ้มคุ้มกันได้หมดแล้วจะไม่จะไม่มีความทุกข์เลยรู้ว่าบ้างเถิดจะรู้จะเฟื่องเรื่องผิวผิวเฟินอเฟืเรื่องได้แล้วก็ดีเรื่องได้แล้วก็ดีนั่นมันเป็นอันดับแรกอันดับหนึ่งอันดับที่ว่าตั้งต้น นั่นมันก็จะมีความทุกข์มีทรัพย์สมบัติมันจะมีความทุกข์เพราะทรัพย์สมบัตินี่สำหรับคนโง่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติแล้วมันจะไม่มีความทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติคนนั้นมันฉลาดพอตรงคนแล้วหรือมีโพธิ์แล้วมีอํานาจวาสนามีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะมีอํานาจวาสนานั่นเองนี่คนโง่ ถ้ามีอำนาจวาสนาแล้วไม่จงเป็นทุกข์ประเหตุนั้นแต่ใช่มันให้มีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทุกคนโดยราบรืบ่นราบรืบ่นนั้นแะถูกแล้วโพธิหรือมันจะมีสมาคมไมตรีมิตรสหายพวกข้องบริวารมากถ้ามันโง่มันก็จงเป็นทุกข์เพราะเลี่ยงบริวารมิตรสหายพวกข้องแต่ถ้ามันไม่เกิดความทุกข์ประเหตุนี่มันถูกแล้วมันถูกแล้ว มันมีโพธิปัญญาสำหรับที่จะมีมิจรสหายคพวกค่องบริวารสามประการนั่นเขาเป็นเครื่องวัดในเบื้องตน้น<ม>เรื่องโลกโลกคือมีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีมิจรสหายพวกคล่องบริวารพอตัว เ, เครื่องวัดไรคนนี้มันฉลาดเดินขึ้นมาถึงจุด ที่มนุษย์ควรจะได้ในโลกนี้เอาก็ถูกต้องแต่ก็มันมีปัญหาว่าเขามีขึ้นมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันมีธรมกัดเอาเป็นภาระหนักทรมานจิตใจมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้อง <c oughs> แลนก็อยู่ในระดับที่จะตังรู้สึกกันได้ว่าเสียว่า สูญเสียอิสรภาพเสีสีภา พ, ภาพความยุตดดิธรรมอะไรอยู่สเสมอไปเละถ้ามันยังมีความอยากความผูกพันอยู่ในสิ่งนั้ น, น, นธรรมะลึกๆมันก็มีว่ามีบุตรธัญญาก็ต้องเป็นทุกขะบุตรปัญญามีทรัพย์สมบัติวัวคว า, ายไรนามันก็มีทุกขะทรัพย์สมบัติหัวคว า, ายไรนา มีเกียติยศชื่อเสียงมันก็เป็นทุกข์เพราะเกียติยศชื่อเสียงนั้นเพราะมันมีไม่เป็นมันมีด้วยกิเลสตัณหามันไม่ถูกต้อง <c oughs> มันเกียรตังเป็นทุกข์ถ้ามีธรรมะพอมันก็ไม่เป็นทุกข์จะมีอะไรเท่าไหร่ก็ได้จะมีบุตรภรรยาทราบสมบัติเกียรติยศอำนาจวาสนะชื่อเสียงปกปองบริวารมันก็ไม่เป็นทุกข์ เพราะมันรู้อะไรเป็นอะไรเพราะมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่มีกิเลสตัณหาในสิ่งใดไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาหรือวัตถุแห่งกิเลสตัณหาใดใธรรมะลึกอย่างนี้พุทธศาสนาลึกอย่างนี้ลึกจนไม่มีอะไรจะลึกกว่านี้สูงสุดจนไม่มีอะไรจะสูงสุดกว่านี้ แต่พุทธบริษัทโง่โ ง, ง่มันก็เข้าไม่ถึงมันยังเข้าไม่ถึงม่ไม่ถึงจุดของพุทธศาสนาอยู่นั่นเองทั้งที่มันเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทขอให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอันนี้กันเสียใหม่เป็นพุทธบริษัทนั้นก็ขอให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อาจารย์บรโบราณก็แปลไว้ดีแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องแกะไขอะไร ไ, ไปผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผมชอบคํานี้มาตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกทรีแรกแล้วก็ใช้ความหมายนี่คาแปลนี่ว่าพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงของธรมม ร, งธรมชาติตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่ารู้รู้รูรร พอรู้ก็ตื่นตื่นจากหลับน่ะไม่นอนหลับเลยกิเลสอีกต่อไปนี่ก็พู้ตื่นไม่ใช่ตื่นสนอกตกใจไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นตูมไม่ใช่ตื่นน้องตื่นจากหลับคือกิเลสคือไม่ง้หงอขึ้นตื่นจากกิเลสได้แล้วมันก็เบิกบานแจม่มใสสดชื่นเนี่ยต้องเป็นผู้รู้ก่อนแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบาน คนชนิดนี้ไม่รู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภา พ, ภาพไม่มีใครมาล่วงเกินสิทธิเสรีภาพอิสรภาพของเขาได้เพราะเขารู้ว่ามันคืออะไรไอ้ที่หลงไหลกันนักว่าอิสรภาพเสรีภา พ, ภาพนั่นมันคืออะไรมันเป็นของขวัญสำหรับคนโง่ที่มีความต้องการด้วยความโง่ของขวัญของคนพวกนั้นเราไม่ไปต้องการกับมันไม่ไปแย่งกิงกับมัน เืรอเราก็ไม่รู้สึกว่ามันมาล่วงละเมิดอะของเราเพราะว่าเราไม่ต้องการนี่ความที่ไม่ต้องการอะไรนั่นแหละประหลาดที่สุดะอยู่เนื้อสิ่งใดทั้งหมดนะผีสางเทวดาพระเจ้าอะไรก็ทําอะไรคนที่ไม่ต้องการอะไรไม่ได้ จะมีบัตย่างไรตามธรรมชาติอย่างไรจะเป็นจะตายอะไรก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความหมายอะไรให้โลกให้ระเบิดปรมาณูมันลงมาเต็มโลกก็มีความหมายอะไรไม่มีความหมายอะไรสําหรับผู้ที่มายึดอะไรโดยเป็นตัวตนแล้วต้องการอย่างโง่โง่จิตนี้ก็สบายสบายตลอดเวลาที่มันจะมีชีวิตอยู่ ภายแล้วก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องพูดกันก็ได้แต่มันยังเป็นอยู่อย่างนี้แล้วจะไม่มีความทุกข์ใดๆนี่เกิดมาทีก็ขอให้ได้ถึงจุดนี้แหละไม่เต็มที่ก็ให้มันได้พอสมควรคือไม่มีความทุกข์ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วเรี่ยวแรงก็ทำใช้ไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แสวงหาประโยชน์ โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าแสวงหาประโยชน์โดยจะต้องเป็นทุกข์เป็นเรื่องของคนโง่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นเรื่องของคนมีสติปัญญาเป็นโพธิ์เป็นพุทธบริษัทธ์นั่นก็ต้องควบคุมใหจความรู้สึกส่วนลึกเนลยฉันไม่ต้องการอะไรอะไรที่ทําให้เป็นทุกข์ฉันสละสิ่งนั้นทันที ออะไรที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพแล้วฉันสละสิ่งนั้นทันทีแลฉันก็ไม่สูญเสียอิสรภาพและเสรีภาพอีกต่อไป <c oughs> น่าจะดีเกินไปสำหรับคนธรรมดาก็ได้หรือมันดีเกินไปหรือเกินไปจนพูด ก, กันกับนักปราศในโลกสมัยนี้ไม่รู้เรื่องก็ได้ จนเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักปราชญเป็นอะไรก็อย่างดีในโลกนี้แต่เราจะฟังเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องก็ได้คือเรื่องที่ฉันไม่ต้องการอะไรนั่นแหละคืออิสรภาพเสรีภาพแล น, นก็ไม่มีความทุกข์แต่ประการใดไปพูดให้เขาฟังมันจะมีลักษณะเหมือนเป่าปี่ให้แรดฟัง แต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะความจริงมันมีอยู่อย่างนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นดังนั้นมันก็ต้องพูดเพื่อให้มนุษย์ในโลกนี้รู้จักความจริงเกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์เรื่องที่ว่าไม่มีตัวตนชีวิตนี้ ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนเป็นแต่เพียงร่างกายกับจิตใจประกอบกันอยู่ปรุงแต่งกันไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าถูกวิธีทางก็ไม่เป็นทุกข์ผิดวิธีทางก็เป็นทุกข์มันมีผล น, นะจิตใจชนิดนี้มันจะไปเสียวยึดมัน่นถือมั่นนั่นนี่ให้เกิดปัญหาให้เกิดความทุกข์ทำไม <c oughs> มันก็รู้จักดำรงไหวในลักษณะที่ไม่เป็นทุกข์ ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดกันให้เข้าใจแล้วก็รู้สึกสงสารตัวเองด้วยเหมือนกันที่พยายามจะพูดเรื่องนี้คือเรื่องที่เขาจะไม่เข้าใจแต่ก็ยังพูดยังคิดว่าจะพูดยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ให้รู้จักกันทั้งโลกพูดแล้วก็เหมือนกัอวดดีที่จะให้มันรู้จักกันทั้งโลก ทำใจหวดดีก็ไม่หวดดีแต่มันเป็นสิ่งที่ควรพูดไม่จะพูดเรื่อยไปพูดในคนทั้งโลกมันรู้วา่าความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นความทุกข์ให้บรรเทาความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนอะไรลงเสียไม่มีโจุดไม่มีความโง่ว่าตัว ต, วตนแล้วมันก็ไม่มีความคิดชนิดผิดผิดหรือโง่เขลาอีกต่อไป ไม่อยากอะไรด้วยกิเลสไม่ต้องการอะไรด้วยกิเลสไม่ขวนขวายดิ้นรนเพราะกิเลสแต่ว่าจะประพฤติประกอบกระทำไปตามอำนาจของโฟธิโภ ธ, โธิขอย่ํำในข้อที่ว่าในชีวิตนี้มันมี สิ่งสองสิ่งต่อสู้กันไปกิเลสกับโพธิวางเวลากิเลสชนะวางเวลาโพธิชนะอแต่ว่าเรายิ่งโตขึ้นโตขึ้นมีอายุมากขึ้นอายุมากขึ้นมันก็ควรจะเป็นฝ่ายโพธิชนะมาก ย, ยิ่งขึ้นไปกิเลสจะไม่ได้โอกาสไม่ควรจะได้โอกาส มันก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปน่าจะทันเวลาหาก่อนแต่ที่จะตายาเสียก็ได้เดี๋ยวนี้เราให้กิเลสเป็นผู้ชักจูงมันก็ชักจูงไปด้วยความเห็นแก่ตัว แล้วมันก็หลีกไม่พ้น่ะที่จะต้องเบียดเบียนกันทำลายล่างกั น, นล่างคลานกันแบบหน้าของอกิเลสอแล้วเขาก็ถือว่าเป็นเสรีภาพอิสระภาพในการที่จะทำลายล่างผู้อื่นอหรือว่าอิสระภาพเสรีภาพในการที่จะได้ใช้กิเลสของตัวอย่างเต็มที่น่น มันต้องการอิสรภาพเสรีภาพกันแบบนั้นในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันก็มีเสรีภาพอยู่โดยธรรมชาติจะเอาอยัางไรก็ได้แต่จิตมันโง่มันก็เลือกเอาข้างฝ่ายเป็นกิเลส ก็ด้วยดีทีเราก็มีเสรีภาพที่จะไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวนี้มันมีอิสรภาพที่จะเลือกลงนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้หรือบรรดุนิพพานก็ได้แล้วใครมันเลือกเอาทางไหนคฮะเพราะมันไม่รู้นี่มันไม่มันไม่รู้จริงมันก็เลือกเอาเสรีภาพของกิเลสแล้วเป็นไปเพื่อ น, นรกโดยไม่รู้สึกตัว ไม่ต้องอะไรพอมีกิเลสก็เป็นนรกในกจิตใจขึ้นมาทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแต่ตายแล้วเพราะมันมีกิเลสมันเป็นนรกไฟเผาขึ้นมาในจิตใจทันทีแต่มันก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นนรกยังกลับพอใจดีใจโอ้ชนะแล้วมีเสรีภาพมีอิสระภาพแล้วได้ฆ่าฟันคู่อื่นได้ถกข่มเหงคู่อื่นได้อย่างนี้ ถ้าเขามีปัญญาโคตรรู้จักสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องนรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรกันอย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่มีปัญหานรกก็คือลบหรือชั่วสวรรค์ก็คือบวกหรือดีนิพพานก็เนื้อไปกว่านั่นคือว่าง ผมพูดมากจน ค, คนจะรำคาญแล้วก็ได้เรื่องชั่วแล้วเรื่องดีแล้วเรื่องว่างนี่รู้จักไว้เถอะจะเป็นโคทิมากขึ้นมากขึ้นถ้าไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักลบนี่มันก็ลงหลงไปในทางชั่วหรือทางลบอย่างงอหัวไม่ขึ้นไปพักหนึ่งก่อน แล้วก็มารู้จักดีเอาดีดีก็ดี ด, ดีอีกพักหนึ่งอีกแต่แล้วมันก็ยังไม่ดับทุกข์ถ้ามันยังดีด้วยความโง่ดีด้วยความโง่คือดีด้วยกิเลสกิเลสนี่เป็นเหตหุทำดีได้เหมือนกันมันกิเลสอีกประเภทหนึ่งชัว sure. ก็ทุกข์ทรมานไปตามแบบชั่วดีก็ทุกข์ทรมานไปตามแบบดีนี่คือสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพที่ต้องเวียนว่ายไปตามดีตามชั่วตามกรรมดีกรรมชั่วตามบุญตามบาปต้องเวียนว่ายไปตามบุญตามบาป นั่นคือความสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพอย่างลึกซึ้งที่สุดละเอียดสุขุมที่สุดคี่มันต้องเป็นไปตามนั่นไม่ไม่เป็นอิสระนี่ประเมเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปละไรนี่เป็นนิพพานนี่มันจึงจะเป็นอิสรภาพมันเป็นเสรีภาพหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกกทีแท้จริงการพูดอย่างนี้ นัก็เหมือนกับบอกให้รู้ว่าไอ้สันิพพานน่คืออิสรภาพเสรีภาพอันสูงสุดไม่ต้องตกไม่ต้องตกอยู่ใต้อํานาจของไอ้บุญบาปดีชั่วสุขทุกข์แต่มนุษย์ทุกคนมันตกอยู่ใต้อํานาจของไอ้ความหมายของคำว่าบวกว่าดีทั้งโลกทั้งโลกนี่มันบูชาบวกบูชา ได้บูชาดีเรียกว่า positivism positivism บูชากันทั้งโลกการศึกษาของโลกไม่มีอะไรสูงไปกว่านะั้นคือให้ได้สิ่งที่ต้องการที่ตัวต้องการเป็นความรู้สึกอย่างคนธรรมดาสามัญคือบวก positivism แต่ที่เป็นโลบเป็น Negative นกักเต็มเขาก็เกลียดเขาก็เกลียดเหมือนกันเขาก็รู้จั ก, กเกลียดเหมือนกันกเกลียดจนเป็นทุกข์เกลียดจนเป็นทุกข์เพราะเรื่องโลบแล้วก็รักจนเป็นทุกข์เพราะเรื่องบวกคือโพสติเนี่ยทางหนึ่งมันดึงไปทางหนึ่งทางหนึ่งก็ดึงไปทางหนึ่งมันก็ขึงพืชดีก็ดึงหัวขึ้นไปข้างบน เชื่อกับดึงเท้าลงไปข้างล่างมันก็ถูกขึงพืชแล้วยังแถมที่ตรงกลางเอาไฟลนอกีกราฆาโทสะมัวล้นมาที่ตรงกลางอกีกเนี่ยภาวะชีวิตปัจจุบันที่ไม่มีอิสรภาพเลยไม่มีเสรีภาพเลยความหมายของความเป็นบวกดึงขึ้นข้างบนความหมายความเป็นลบดึงลงไปทข้างล่างตรงกลางเอา ไฟราคาโทสามุหะล้นเผามันยูส่มันมีสารภาพเสรีภาพได้อย่างไรได้เท่าไหร่คิดดูถ้าไม่คิดกันละเอียดจะมองไม่เห็นนะว่าสภาพที่แท้จริงมันเป็นอยู่อย่างนี้เราเป็นกันอยู่อย่างนี้มนุษย์บุทรชนเป็นกันอยู่อย่างนี้ถ้าไม่คิดก็จะไม่มองเห็นถ้าคิดกันอย่างละเอียดประนีก็พอจะมองเห็นแล้วมันไม่ลึกเกินไป มล้วก็วนอยู่ที่นี่ยุ่นอยู่ระหว่างได้ระหว่างเสียระหว่างดีระหว่างเชื่อระหว่างบวกระหว่างลบระหว่างบุญระหว่างบาประหว่างสุขระหว่างทุกข์ไม่เหนือนั่นขึ้นไปได้คือไม่ว่างเป็นพระนิพพานขึ้นมาได้มันก็เลยถูกบีบคั้นอยู่ด้วยคู่คู่เป็นคู่คู่นี่ก็สูญเสียอิสรภาพเสียสิทภาพอย่างยิ่งเดี๋ยวหัวรอดเดี๋ยวร้องไห้ มีเรื่องไม้หัวเราะกับหัวเราะมีเรื่องไม้ร้องห้ากับร้องไห้มันก็มีเั่านั้นมันไม่อยู่เหนือนั่นอไม่เป็นว่างเหนือนั่ น, น, นขึ้นไปเป็นนิพพานมีพระนิพพานเป็นจุดสูงสุดในพุทธศาสนา <c oughs> แต่คนก็ไม่รู้จักเพราะว่ามันอยู่เหนือ <c oughs> เหนือบวกเหนือโลก คนทั่วๆไปอ่ะทั่วๆั่วไปเขาเข้าใจพระนิพพานว่ามันเป็นบวกบวกบว ก, บวกสูงสุดคือได้ร่ำรวยสวยงามสนุกสนานอรอร่อยสูงสุดมากกว่าที่เราได้รับอยู่ที่นี่มากเนีย่ยคนโง่บุทุชนในโลกมันให้ความหมายแก่พระนิพพานอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่เหนือนั่นขึ้นไปนั้นเมื่อถามเขาว่าอยากไปนิพพานไหมอยากทุกคนเลย วรมันโง่เท่าไรมันก็อยากไปนิพพานเพราะมันตีความหมายเอาเองว่าเป็นบวกเป็นได้อย่างถูก อ, อกถูกใจอร่อยอร่อยสนุกสนานส ว, วสวยงามที่สุดก็อยากไปเล่าเรื่องที่เล่ากันไม่ก็จะเบือ่อหรืว่าคนแถวนี้อยากออกชื่อผมแังถามดูว่าอยากไปนิพพานไหมอยากอยาก อยากอยากเต็มที่ด้ความจริงใจเขาบอกว่าในนิพพานไม่มีรำวงนะไม่เอาไม่เอาขาถอนคืนเลยขอถอนคืนทันทีเพียงแต่ไม่มีรำวงนะแล้วเขาชอบรำวงมากแล้วเขาสำคัญว่าไอ้นิพพ า, านนะิพพานนั่นะมันสูงสุดที่มี อะไ ร, อ ร, อ, รอร่อยสวยงามร่ำรวยสนุกสนานที่สุดเขาก็ต้องการนั่นคือความเป็นธาตุของกิเลสเราเข้าใจพระนิพพานเอาจะผิดๆก็อยากไปนิพพานอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมีนิพพานหรืออิสรภาพเสรีภาพเอาแล้เป็นอนว่าเรารู้จากพระนิพพ า, านในฐานะเป็นอิสรภาพเสรีภาพสูงสุดของสิ่งที่มีชีวิต ไม่ต้องเป็นไปตามกรรมไม่ต้องกระเสือกกระสนไปตามบาปตามกรรมตามดีตามตามบุญตามบาปเนื้อบุญเนื้อบาปเป็นอิสรภาพฤเสรีภาพสูงสุดขอให้รู้จักว่ายิสรภาพฤเสรีภาพในทางธรรมะในความหมายของธรรมะในภาษาของธรรมะมีอยู่อย่างนี้ขอให้รู้จักกันว่ายทุกคนรู้จักกันว่ายทุกคน เพื่อจะไม่เสยทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบรับพุทธศาสนาอย่าไปหลงอิสรภาพเสรีภาพของคนงโง่เป็นเสรีภาพของกิเลสตัณหาเลยรู้จักอิกสรภาพเสรีภาพของโพธิเถิดก็จะเป็นพุทธบริษัทโดยแน่นอน ขอยุติกญญารบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้